ท ก, กาลข้าพรนาคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่ามันเป็นช่วงเวลาสำหรับนักบวชคือพระกับแม่ชีเท่านั้นจริงๆมันมีความหมายสำหรับคราวาสญาติโยมทั่วไปด้วยมันไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่พระแล้วก็แม่ชีมา ศึกษาปฏิบัตอิอย่างจริงจังตลอด3เดือนเท่านั้นนะแต่มเป็นช่วงเวลาสำหรับคารว่าจะได้มาฝึกฝนพัฒ น, ฒนาตนด้วยเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนในทางธรรมน ะ, ะส่วนใหญ่นี่เราก็ เห็นความสำคัญของการฝึกฝนพัฒนาตนในทั้งโลกนะเช่นไปศึกษาหาความรู้มากขึ้นนะไปฝึกทักษนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำมาหากินไปเรียนวิชาต่างๆนะนะนะเพื่อให้มีความรู้มากขึ้น แต่นอกจากวิชาทางโลกแล้วนะวิชาทางธรรมหรือวิชาชีวิตก็สำคัญน ะ, ะช่วงข้อพันสารนี้ก็เหมือนกับว่ามามาติวเข้มหรือว่ามาฝึกฝนตนให้มากขึ้นในเรื่องวิชาชีวิตซึ่งก็เป็นเรื่องการพัฒนากายและใจนั่นเอง จะว่าไปแล้นี่การเขา้าพรรษาก็เหมือนกับการเปิดเทอมเหมนะเปิดเทอมเดือนนี้นี่ทางนักเรียนนักศึกษาเขาก็เปิดเทอมอันนั้เขาเรียนทั้งโลกนะแต่ว่าพวกเรามาเปิดเทอมเพื่อม า, อาฝึกฝ น, นตนในเรื่องทางธรรมมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องการศึกษาอยาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ ศึกษาเนเป็นภาษาสันสกฤตมันมาจากภาษาบาลีว่าสิกขาสิกขาในภาษาบาลีเนี่ยนะมันมีความหมายว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนตนอย่างเช่นวินัยของพระเนี่ยแต่และข้อแต่และข้อเนี่ยที่มี227ข้อเนี่ยเราเรียกว่าสิกขาบทก็คือข้อปฏิบัติ บางทีเขแปลว่าบทศึกษาบทศึกษาเราก็เลยนึกว่าเป็นเป็นเรื่องที่ต้องมาท่องจํากันแต่ที่จริงถ้าแปลให้ถูกต้องหรือว่าเข้าเข้ากับสมัยนี้คือว่าเป็นข้อปฏิบัตินะไตรสิกขาสีนสมาธิปัญญานี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการอ่านตำรักตาราแต่เป็นเรื่องการปฏิบัตินะปรับปรุงพฤติกรรม พัฒนาจิตเพิ่มพูนปัญญาเนี่ยมันเป็นการศึกษาเหมือนกันนะแต่ว่าศึกษาคนละแบบกับที่เราเข้าใจเราก็ศึกษาด้วยการปฏิบัตินี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคารวะญาติโยมแล้วตามประเพณีไทยก็ถือว่าช่วงเข้าพรรษานี่แหละนะก็เป็นช่วงเวลาที่คารวะก็จะได้มา ฝึกฝนพัฒนาตนให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเข้มข้นขึ้นอย่างคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ก็กตามเนี่ยก็จะมาจําศีลกันในวันพระแต่เดี๋ยวนี้ก็มีแต่คนแก่นะหรือผู้มีอายุมาจําศีลจําศีลนี่จําศีลอะไรก็ศีลแนะ แต่ว่าคนที่ไม่มีเวลาจะมาจําศีลมาค้างที่วัดเขาก็ถือศีลเหมือนกันนะถือว่าถือศีลห้านะโดยเพรา ะ, ะข้อที่ห้าเนี่ยซนะึ่งส่วนใหญ่ก็ทำกันไม่ค่อยได้ช่วงนอกพรรษานะก็มาทำกันจริงจังก็คือว่างดเล่านะ เราคงได้ยินคำว่างดเหล้าเข้าพรรษานะอันนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นสมัยที่มีสส ส, สมารณรงค์นะที่จริงคนไทยเราก็งดเหล้าเข้าพรรษานี่มาเป็นประเพณีนานแล้ว mm hmm. มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับคนที่ติดเหล้านะแต่ว่าเขาก็เห็นว่าช่วงเข้าพรรษานี่ก็ต้องอทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นบุญกุศล น, นะ จะว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อพัตนตรัยหรือศาสนาก็ได้ก็เลยงดเล่าหรือจะมองว่าเป็นการพัฒนาตนก็ได้เพราะว่าคนเราจะพัฒนาตนได้มันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการลดละหรือเลิกสิ่งที่ไม่ดีนะอย่างเช่นนะมงคล38ที่เรา สาธยายกันเมื่อวานเนี่ยข้อแรกคือการงดนะการเว้นงดเว้นอะไรงดเว้นจากการคบขดผ่านในการทําความดีเนี่ยหรือการพัฒนาตนเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการงดเว้นก่อนเนีเช่นงดเว้นนะจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักขโมยงดเว้นจากการประพฤติผิดในการรมงดเว้นจากการพูดปดงดเว้นจากการดื่มน้ําเมาเนี่ย หรือว่าในโอวัทปาิโมกเนี่ยก็เริ่มต้นโดยการว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหลังจากนั้นก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมนกกะนการลดการละการเลิกนี่ ม, มันเป็นเบื้องต้นของการทำความดีแต่ถ้าทำความดีโดยยังไม่ลดละเลยนี่มันก็ดีไม่ดีไม่แท้นะเช่นให้ทาน ทำบุญแต่ว่ายังไม่เลิกเหล้าเนี่ยเดี๋ยนี้เราเห็นมาก ง, งานบุญมากมายนี่แต่ว่าเช่น ง, งานผ้าป่างานท่อกระิ้นเนี่ยแต่เขาก็ไม่เลิกเหล้าเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นงานบุญที่ดีไม่ได้นะมันต้องเริ่มต้นจากการลดละก่อนหรือว่าเลิกไปเลย การพัฒนาตนก็เช่นเดียวกันนะมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีนะแม้ชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะทำความดีเพิ่มเติมเข้าไปนะไอช่วงคำสารนี่เป็นช่วงเวลาที่ อาคารวาญาตโยมเนี่ยนะควรให้ความใส่ใจนะกับการที่จะฝึกฝกพนพัฒนาตนเริ่มต้นในการลดละขัดเกาลาวก็ตามมา้ดยการทาความดีนสิ่งที่พึงทาแต่ว่าทาน้อยก็ทาให้มากขึ้นในช่วงขบรรษาสิ่งที่ไม่ดีก็ทาให้น้อยลงหรือว่าเลิกไปเลยหรือว่าเลิกชั่วคราวก็ยังดี อันนี้มอในแง่หนึ่งนะมันก็เป็นการพักกายพักใจนะการพัฒนาตนกับการพักกายพักใจนี่ไม่ได้ขัดแย้งกันนะถึงแม้ว่าการพัฒนาตนเนี่ยมันาจะต้องใช้ความเพียรพยายามสักหน่อยในการที่จะลดละความเคยชินบางอย่างที่ไม่ดี แต่ว่าผลที่ตามมาก็คือการพักนะพักกายพักใจนะ mm hmm. ยกตัอย่างง่ายๆเนี่ยนะถือศีล8เนี่ยเพียงแค่ศีลข้อ6ข้อเดียวนะคือการวิการลโภชนาเนี่ยนะการงดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิการ ตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่หรือผูง้งานคือการกดนข้าวเย็นเนี่ยมันช่วยประหยัดเวลาและประหยัดพลังงานไปได้เยอะนะพอลองนึกภาพนะาเกิว่าเราต้องกินข้าวเย็นเนี่ยก็ต้องนะเสียเวลาเสียพลังงานไปกับการทําอาหารก่อนจะทําอาหารก็ต้องไปหาเครื่องหาผักหาปลามาหามาได้ก็ต้องมาตับมาทํามาปรุงนะปรุงเสร็จมากินกินเสร็จ นะร่างกายก็ต้องย่อยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เปลืองเวลาเท่านั้นถึงแม้ว่าใหม่ๆคนที่งดข้าวเย็นก็จะรู้สึกหิวนะแต่ว่าผ่านไปสองสาวันก็จะรู้สึกสบายขึ้นสิข้อที่เจ็ก็เหมือนกันนะการไม่ เที่ยวไม่เล่นไม่ร้องลำมทำเพลงไม่ประดับประดาร่างกายด้วยของหอมสิ่งเหล่านี้นี่มันก็สิ้นเปลืองทั้งเวลาแล้วก็พลังงานการเที่ยวการเล่นนี่ถืงแม้จะสนุกนะแต่ว่ามันทำให้เหนื่อยล้าได้ง่ายเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะยิ่งถ้าเที่ยวเล่นจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือว่านอนดึกนะเที่ยวผับเที่ยวบาร์ฟังเพลง นะเล่นดนตรียนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันก็เหนื่อยนะแต่พอถือสีงข้อที่เจ็ดเนี่ยจาจักคีตวัธิตะเนี่ยนะก็เรียกว่าได้พักผ่อนแล้วนะได้เข้านอนแต่หัวค่ำนะที่เคยติดโทรทัศน์ติดติดหนงังติดละครนะดูจนเที่ยงคืนตีหนึ่งก็เป็นนั้นว่าตัดปัญหาไปได้ มันก็ได้พักกายนะแล้วก็พักใจด้วยถึงเวลานอนหลับก็นอนได้ดีหลับสนิทฝันก็ฝันดีข้อที่สามเนี่ยอมจริยาเนี่ยนะการไม่หลับนอนกับคู่ครองหรือเพศตรงข้ามนะหรือว่าเพศเดียวกันก็แล้วแต่นะพอไม่ทำนี้เข้านะมันก็ประหยัดพลังงานไปได้เหมือนกันนะ จริงๆเหนื่อยตั้งแต่ไปตามหาคู่ครองแล้วนะพยายาไปจีบไปเกี่ยวพาราศีนี่พวกนี้ก็เหนื่อยนะพอถือศีลข้อที่สามในที่เรียกรมจาริยาได้ก็ก็เรียกว่าหายเหนื่อยนะไม่วุ่นวายศีลห้าก็เหมือนกันนะถ้าเราพิจารณาดูดีๆนี่ถ้าทำได้เนี่ย มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ใช้พลังงานไปในทางที่เป็นโทษกับคนเองกับตนเองและผู้อื่นดงการรักษาศีลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีล8ดก็ตามเนี่ยใหม่ๆอาจจะยากนะต้องใช้ความอดทนต้องสู้กับกระแสกิเลสและความเคยชินแต่พอทำได้ลงตัวเนี่ยก็จะพักกายพักใจ เช่นถ้าเราเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยเราก็ไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ถึงแม้ว่าสมัยนี้จะไม่ค่อยมีเวลามาวัดนะไม่มีเวลามาจำศีลอย่างคนในเมืองเนี่ยนะก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติทำได้ฝึกฝนตนได้ในช่วงเข้าพรรษานะเช่นอยู่ที่บ้านเราก็ลองดูซิว่าเรามีนิ ส, สัยมีความเคยชินอะไรบ้าง ที่มันทําให้เราเหนื่อยล้าได้ง่ายมันบั่นทอนร่างกายและจิตใจหรือว่าเป็นโทษเราก็ลองใช้ช่วงข้าพรรษาเนี่ยนะเลิกทําสิ่งนั้นดูสักพักบางคนอาจจะติดโทรทัศน์บางคนอาจจะติดละครบางคนติดอินเทอร์เน็ตใช้เล่นเฟ e บุ o k วันหนึ่งหลายชั่วโมง บางคนนี่ชอบหยิบโทรศัพท์มาดูข้อความเมสเซจทาง l ล n e นี่วันละหลายครั้งนะบางคนหยิบมาดูนี่ชั่วโมงละสิบครั้งก็มีนะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะว่าจะมีข้อความส่งมาถึงตัวไหมหรือว่ามาเช็คดูนะ c e b o o k กนะก็ไม่เป็นงานทำงานนะแล้วก็เหนื่อยละเพราะข้อความบางที มันก็ทำให้จิตใจขุณมัวนะข้อความใน f a c e b o o ในในไลน์เนี่ยถ้ามันสิ้นเปลืองพลังงานเรามากนะหรือว่าทำให้เราเหนื่อยล้าข้อราษานี่ก็ลองคิดดูเออเราจะทำให้มันเราจะเปิดดูให้น้อยลงนะเช่นอ่าเช็คข้อมูลหรือว่าเช็คอีเมลวันละสามครั้งพอนะ แทนที่จะเปิดโทรศัพท์เปิดสัญญาณทิ้งเอาไว้ทั้งวันก็เปิดและปิดเป็นเวลานะได้เวลาจะเช็คข้อความทางไลน์ก็ดีเฟซบุ o กก็ดีอีเมลก็ดีก็ค่อยเปิดสัญญาณนะพอดูเสร็จก็ปิดซนะอันนี้ช่วยได้เยอะนะเพราะคนที่เปิดค้างเอาไว้ตลอดเวลานี่ก็จะ ก, กังวลว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาส่งข้อมูลมาส่งข้อความมาแล้วเราไม่รีบตอบนี่ เดี๋ยวเขาจะน้อยใจเดี๋ยวเขาจะว่านะแต่ถ้าเราปิดนะปิดสัญญาเนี่ยเพื่อนส่งข้อความมาเขาก็รู้ว่าข้อความที่ส่งไปยังไม่มีคนอ่านนะหรือไม่ก็อาจจะบอกเขาว่าเนี่ยข้อพันษานี้ฉันจะเปิดเปิดเช็คอินเทอร์เน็ตเนี่ยแค่วันละสามครั้งเท่านั้นนะเช้ากับวันเย็นแค่นั้นแหละบอกเพื่อนเเพื่อ น, นก็จะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ตอบไป ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนติดกาแฟานะติดกาแฟาติดกาแฟามากจกนกระทั่งรนะ่างกายเริ่มไม่แย่และหรือไปไหนนี่ก็กระสับกระส่ายถ้าไม่มีกาแฟาลองฝึกดูนะว่าเราจะลดละกาแฟาหรือว่าเลิกไปเลยตลอดพรรษาเพอๆสามารถจะเลิกไปได้ตลอดชีวิตก็ได้หรือว่าถึงไม่เลิกก็ไม่ติดนะบุหรี่ก็เหมือนกันนะ บางคนเนี่ยชอบติดช้อปปิ้งนะอา่าอาทิตย์หนึ่งนี่ต้องไปเที่ยวห้างนี่หลายครั้งนะก็ลองงดดูซะบ้างนะมันทั้งประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดพลังงานไปได้เยอะนะแล้วทำให้ใจสงบได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีสิ่งรอเรายา้ายวนให้วาวุ่นให้ฟุงนะ้งนซะ่านนะลองคิดดูนะว่าในพรรษาเนี่ยตลอด3มเดือนเนี่ยเราจะ เราจะลดละเลิกอะไรได้บ้างให้ใช้ช่วงเวลาเข้าพรรษาจะเป็นช่วงเวลาการถอนตัวออกจากวิถีชีวิตหรือความเคยชินที่ก่อโทษให้กับเราที่บั่นทอนพลังงานทั้งกายและใจนะจริงๆการที่พระมาบวชการที่คนมาปฏิบัติธรรมในวัดนะจะมาบวชใน บวชชีก็ตามหรือว่าบวชเน่คำมักก็ตามเนี่ยมันก็คือการถอนตัวนะถอนตัวจากวิถีชีวิตและความคุ้นเคยเดิมๆนะที่มันเป็นโทษหรือว่าไม่ค่อยเกื้อกูลต่อความงอกงามด้านในส่วนคารวาจโยมเนี่ยนะถึงแม้จะไม่ถอนตัว ออกมาจากชีวิตเดิมๆมนะแต่ว่าเราสามารถที่จะถอนออกมาจากนิสัยความเคยชินบางอย่างที่ไม่ดีก็ได้นะบางคนก็คิดว่าเออไอสิ่งที่ไม่ดีนี่ฉันก็ไม่ค่อยมีแล้วเราก็มาเพิ่มพูนสิ่งที่ดีๆมากขึ้นก็ได้นะเช่นในพรรษานี่ตั้งใจว่าจะสวดมนต์นะทุกคืนก่อนนอน หรือว่าจะนั่งสมาธิเจริญสติก่อนนอนวันละสินาทีก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้คนที่ไม่เคยทําแล้วก็อาจจ ะ, ะตั้งใจทําวันละสินาทีคนที่ทํามาเป็นประจําก็อาจจะเพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงนะหรือว่าจะออกกําลังกายก็ได้ร่างกายไม่ค่อยดีนะกินมากน้ําหนักเยอะนะตั้งใจว่าในพรรษานี้ฉันจะออกกาลังกายนะ เป็นการฝึกความเพียรนะวิริยะบา ร, รมีแล้วก็ขันติบา ร, รมีด้วยเนะนี่ยมันทำได้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลามาบวชไม่มีเวลามาจำศีลแต่เราสามารถจะทำให้ชีวิตประจอวันของเราเนี่ยเป็นส่วนของการเข้าพรรษาเป็นส่วนของการาฝึกฝนพัฒนาตนได้สิ่งสำคัญคือว่าต้องให้ต้องทำทุกวันนะ ต้องทำทุกวันนะและพยานนี้มันต้องต้องมีการอธิษฐานนะคารวาก็อธิษฐานได้นะว่าเราจะตั้งใจจะ เ, เลิกกาแฟเราตั้งใจว่าจะกินอาหารมังสวิรัตเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ติดในรสชาติหรือว่าเพื่อที่จะทำบุญไม่ส่งเสริมนะการทำปานาติบา เมื่อตั้งใจแล้วก็ทําทุกวันแต่การที่จะทำทุกวันได้ก็ต้องมีความาจิตใจที่เข้มแข็งนะจึงต้องมีการอธิษฐานนะไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรมากแค่ตั้งใจหรือว่าไปอธิษฐานต่อพระพุทธรูปก็ได้ว่านะจะตั้งใจนะลดละเลิกอย่างนี้อย่างนี้หรือตั้งใจว่าจะทําวัดสดมนต์ทุกวันจะทําสมาธิทุกวันเจริญสติทุกคืนอย่างเงี้ย เมื่อเราทิศฐาแล้วก็จะได้เกิดความมุ่งมั่นความแน่วแน่นะไม่ลังเลสงสัยไม่งอนงนนันค่อนแคลงง่ายๆไอสิ่งที่เราจะทำในข้าวสารนี้ไม่ต้องไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรมากนะเล็กๆก็เล็กๆแต่คอยทาทุกวันดีกว่าทำสิ่งที่ยากๆแล้วทำไม่ได้ทุกวันไอนนสิ่งเล็กๆง่ายๆเนี่ยทำไปเป็นความดีแล้วเนี่ยประมาทนะ มงคลข้อหนึ่งใน38ประการคือว่าความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงอะมาโทจะทำเมสุเอตํมมังครุตคลรมุตตัมมังการไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงเป็นมงคลอันสูงสุดนะธรรมะเล็กๆแต่ว่าไม่ประมาททําทุกวันเนี่ยมันมีอานิสงส์มากแม้แต่การนั่งสมาธิแค่วันละหานาทีทาทุกวันนี่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้นะ สมัยที่หลวงปูด่ดูวัศกแกเนี่ยยุทธญาท่าน ม, มีชีวิตยอยู่เนี่ยคราวหนึ่งก็มีลูกศิษย์มากราบท่านแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยเพื่อนที่เขาพามาเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบกินเหล้าแล้วก็ไม่ค่อยสนใจธรรมะลูกศิษย์ก็เลยชวนเพื่อนว่าว่าในๆมากราบหลวงปู่แล้วนะก็ให้ตั้งใจนะสมาทานศีลห้าแล้วก็ทําสมาธิภาวนา เพื่อนคนนั้นก็บอกว่าทำไม่ได้จะทำได้ยังไงนะยังกินเหล้าเมายาอยู่ก็พูดตอนหน้าหลวงปู่ดูนะหลวงปู่ดูก็เลยพูดว่าเนี่ยเองจะกินก็กินไปสิข้าไม่ว่าแต่เองอทำสมาธิให้ข้าเนี่ยวันละห้านาทีก็พอผู้ชายคนนั้นเนี่ยพอพอรู้ว่า แค่ทำสมาธิห้านาทีแล้วก็ยังไม่ต้องเลิกเหล้านะก็เอาเลยนะก็รับปากหลวงปู่หลวงปูด่ดูรับปากเสร็จก็ไม่ได้แค่รับปากเปล่าๆนะเขาก็ตั้งใจทำตามที่รับปากนะถึงแม้ยังกินเหล้าอยู่นะแต่ว่าก็นั่งสมาธิทุกวันวันละห้านาทนะีไม่ได้ขาดเลยบางวันนั่งเสร็จก็ไปกินเหล้านะเพื่อนชวน แต่บางวันกำลังนั่งอยู่เพื่อนชวนก็ไม่ไปเพราะว่ายัางนั่งสมาธิไม่ครบนั่งครบ5นาทีแล้วตอนหลังก็นั่งต่อเป็น10นาทีเพราะว่านั่งแลสบายนะนั่งสินาทีเสร็จก็ยังไปกินเหล้านะแต่ตอนหลังเนี่ยนะก็ได้รับความสงบจากการนั่งสมาธินั่งได้นานคือแล้วตอนหลังก็กเลิกเหล้าได้นะเพราะว่า พอได้ความสงบจากสมาธิมาแล้วเนี่ยไอความความสุขจากการกินเหล้าหรือความสนุกจากการเมายาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องจิปจอยไปคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความสุขที่ละเอียดประณีตมาแทนที่เนี่ยก็ยังยึดติดหรือว่าลหลงไหลในความสุขที่ห ย, ยาบๆอยู่แล้วพวกที่ติดเหล้าพวกที่ยังเพลิดเพลินกับความสุขแบบห ย, ยาบๆนี่เพราะว่าไม่มีไม่รู้จักความสุขที่ประณีต แต่พอได้พบความสุขที่ปานนีแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าไอ้ความสุขที่ตัวเองเคยมัวเมาอยู่นี่มันมันหยาบมากนะมันเทียบไม่ได้เลยก็สลัดได้ง่ายตอนหลังผู้ชายคนนี้ก็มาบวชพระเลยนะหลังจากที่เลิกเล่าได้ก็มาบวชพระอ้ชี้เาก็เปลี่ยนไปเลยนะเพียงเขาว่าเพีย ง, เ พ, ย ง, เ, พยงเพียงแค่นั่งสมาธิวันละห้านาทีเท่านั้นแหละแต่ว่าเขาทำทุกวัน สิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี่เราอย่าประมาทนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้มีเพื่อนเนี่ยคนหนึ่งแกทำโครงการคล้ายๆเรียกชื่อว่ามหาวิทยาลัยชีวิตนะก็คล้ายเป็น Cost Rome, คอร์สอบรมคอร์สให้คนเนี่ยมามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตไม่เชิงปฏิบัติทำทีเดียวนะ มันเป็นเวิร์กช็อปมันเป็นการสัมมนาเหมือนกับห้องเรียนนะนะแต่ว่าแทนที่จะเรียนเรื่องวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็มาเลยเรื่องชีวิตแล้วก็ให้คนเนี่ยได้แต่และคนเน่ได้มาใคร่ครวญทบทวนตัวเองว่าชีวิตตัวเองมีมีปัญหาอะไรบ้างและมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันสร้างปัญหากับชีวิตที่ทําให้ไม่มีความสุขที่ทําให้ชีวิตครอบครัว ไม่ราบรื่นแล้วก็ให้เลือกแต่ละคนก็เลือกมาว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือลดละเลิกพฤติกรรมอะไรได้บ้างเอาแค่อย่างเดียวให้ทำตลอดสามเดือนแล้วก็มารายงานหน้าชั้นทุกอาทิตย์ว่าได้ทำอะไรคืบหน้าไปบ้างก็มีคนหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนใจร้อนนะทำงานเยอะกินข้าวนี่ก็รีบกินแล้วก็รีบไปทางานเขาก็เลย เลือกโครงงานก็คือกินข้าวให้ช้าลงกินข้าวให้ช้าลงนะแล้วเขาก็ก็เริ่มสตาร์ทนะที่เขาเลือกอันนี้เพราะว่าเขากินข้าวเร็วมากเนะี่ยมือหนึ่งไม่ถึงห้าหนาทีแต่พอเสนอโครงงานนี้แล้วก็ต้องตั้งใจทําแล้วเขาพบว่าพอกินข้าวให้ช้าลงเนี่ยสองสามวันแรกเขาก็พบว่า ข้าวนี่มีรสชาตินะคือมันหวานแต่ก่อนกินเนี่ยไม่รู้รสชาติของข้าวเลยนะเพราะว่ากินกินกินกินะไม่ค่อยทันไม่ไม่ค่อยเคี้ยวละเอียดด้วยใจก็ลอยนะคิดถึงงานคิดแต่ว่าจะกินให้เสร็จรีบกินให้เสร็จจะได้ไปทํางานเพราะเป็นนักธุรกิจงานเยอะพอเคี้ยวข้ายช้าลงเนี่ยกิจก็เริ่มนะมีสติอยู่กับการกินแล้วก็รับรู้รสชาติของอาหารรสชาติของข้าววะมันหวาน พวกเราเคยสังเกตไหมว่ารสชาติของข้าวนี่มันหวานหรือไม่สังเกตเลยแล้วข้าวแต่ละช น, นิดก็มีรสชาติไม่เหมือนกันตอนหลังเขากินข้าวช้าลงเขาก็มีเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารนานขึ้นแต่ก่อนเนี่ยกินไม่สนใจคนที่ร่วมโต๊ะลูกชายไม่คุยกับลูกชายเลยแต่พอกินข้าว้ช้าลงเคี้ยวข้ายช้าลงก็เริ่มมีเวลา ก็เริ่มมีเวลาพูดคุยกับลูกชายทักทายนะแต่ก่อนนี่เขาไม่ค่อยไว้ใจลูกชายนะเป็นนักธุรกิจร่วมงานคนเดียวตอนหลังพอมีเวลาพูดคุยกับลูกชายมากขึ้นก็เริ่มไว้วางใจลูกชายนะตอนหลังก็เริ่มค่อยมอบงานให้ลูกชายทําบ้างนะแล้พวพอเขากินข้าวเช้าลงเนี่ยเขาพบว่าร่างกายก็ดีขึ้นนะ แต่ก่อนเขาปวดท้องแล้วก็หายใจไม่ค่อยทันหายใจไม่ทันคงหายใจไม่เต็มท้องนะแต่คงหนักกว่าหายใจไม่เต็มท้องอยู่หายใจไม่ทันเป็นมาสิปีแล้วกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายพอเคี้ยวค่ายช้าลงเนี่ยแค่ไม่เกียรติทิศเนี่ยหายเลยเป็นปิดทิ้งเลยส่วนหนึ่งคงไม่วความเครียดด้วยนะเวลากินก็คิดแต่เรื่องงานเรื่องการหรือจะรีบกินเลยไวๆพอเคี้ยวค่ายช้าลงเริ่มมีสติมากขึ้นใจก็เริ่มสงบ นะตอนหลังความสงบนี่ก็ทำให้เขาทำงานเวลาทำงานนี่ก็ไม่ไม่วุว่นวายนะแต่ก่อนนี่ใช้อารมณ์กับลูกน้องนะไม่ไว้ใจลูกน้องเลยตอนหลังพอใจเย็นมากขึ้นลูกน้องกอ็ร่วมมือให้ร่วมมือดีขึ้นแล้วเขาก็เริ่มไว้ใจลูกน้องเขานี่ก็งานที่เขามีมากๆหมาย ก, ก, ก, ก็โอนไปให้ลูกน้องทำบ้างปรากว่ามีเวลาว่างมากขึ้นนะ เคลียร์ไขช้าลงใช้เวลากินข้าวนานขึ้นแต่ว่ามีเวลาเหลือมากขึ้นนะแปลกนะแต่มันมีเหตุผลแบบนี้แหละคือว่าไว้ใจลูกน้องไว้ใจเจ้านายอาไว้ใจลูกชายก็โอนงานให้ทำแล้วไม่ห่วงไว้คนเดียวมีเวลาเหลือทําวทำไงก็นึกถึงพ่อนะพ่อเคยพ่ออยู่ต่างจังหวัดนะชวนถามรูวเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมสักทีลูกก็บอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาตอนนี้มีเวลาแล้วก็เลย ไปเยี่ยมพ่อตอนหลังก็พาพ่อไปเที่ยวความสัมพันธ์กับพ่อก็ดีขึ้นความสัมพันธ์กับลูกก็ดีขึ้นกับลูกน้องก็ดีขึ้นแถมมีเวลามากขึ้นแล้วก็มีความสุขด้วยผู้หญิงคนนี้นี่ก่อนตอนก่อนที่เขาจะมาเข้าคลาสนี่เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองมากนะแล้วก็เขาตอนหลังทํางานมากๆเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมโอนงานให้ใครเลยเนี่ยเขาก็เลยเครียด แล้วพอมีโครงการหนึ่งล้มเหลวธุรกิจเสียหายไปหลายสิบล้านนะก็เสียเซลล์เสียความมั่นใจถึงกับคิดจะฆ่าตัวตายนะถึงกับคิดจะฆ่าตัวตายเลยนะแต่ตอนหลังก็ได้สติก็รู้สึกว่าเออเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เลยมาเข้าคอร์สนี่ถ้าไม่คิดถ้าไม่คิดฆ่าตัวตายถ้าธุรกิจไม่ล้มเหลวก็คงจะไม่ปลีกเวลามาเข้าคอร์สนี้นะอันนี้เขาเห็นเลยนะว่าโอการ เคี้ยวค่ายช้าลงเนี่ยทำทุกวันทำทุกวันเนี่ยมันมีอ น, นิสงส์มากทีเดียวทั้งต่อสุขภาพของเขานะทั้งต่อความสัมพันธ์กับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อลูกเพื่อนร่วมงานลูกน้องนะแล้วความสุขเขาก็หาได้ง่ายขึ้นตอนหลังเขาก็รู้แล้วว่าความสุขคนเราอ น, นี่มันก็มาไม่ได้อยู่ที่ความสาเร็จไม่ได้อยู่ที่เงินทองนะแต่มาอยู่ที่ใจ มันหาได้ไม่ยากนะเราก็เห็นคุณข่าของการใช้ชีวิตให้ช้าลง slow life เนะี่ยรวมทั้งการมีสติกับการอยู่กับปัจจุบันกับการทำงานต่างๆกินข้าวใจก็อยู่กับปัจจุบันทำงานใจก็อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดถึงว่าข้างหน้ามันจะต้องทาอะไรไม่งั้นจะเร่งรีบไปหมด น, ะนั้นเนี่ยเราในช่วงขบัรศรานี่ลอาลองนะลองคิดดูว่า เรามีนิสัยอะไรบ้างที่มันเป็นปัญหามันทำให้ชีวิตเร า, าเหนื่อยล้าทำให้ร่างกายเรานะแย่ลงหรือว่าทำให้จิตใจเราว้าวุ่นลองเลือกมาสักอย่างหนึ่งนะจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้มันทำทุกวันทำได้ทุกวันแม้จะเล็กจะน้อยก็อย่าไปดูถูกนะ หรือว่าความดีอะไรบางอย่างที่เราสึกว่ามันดีแต่เราไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่ออกกําลังกายสวดมนต์นั่งสมาธิหรือแม้แต่การศึกษาอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านหนังสือพุทธธรรมก็แต่พุทธธรรมนีนะ่หลายคนก็เห็นว่าเป็นหนังสือดีนะแต่พอเห็นรูปเล่มละพันหน้านี่ก็เลยตั้งวางไว้บนหิ่งนจากช่วงขบันสายนี่ถ้ า, าลองตั้งอะไรตั้งจิตว่าเนี่ยจะอ่านให้ได้เวลาสิบหน้านะ ออกพรรษาก็ครบที่ครบเก้าอหน้าหรือพันหน้าได้สบายมากนะก่อนบวชเนี่ยตมาก็อ่านพุทธธรรมเสร็จโดยวิธีนี้แหละก็คือว่าอ่านเวลาสิบหน้าทุกวันในพรรษาพอออกพรรษาก็อ่านจบพอดีนะอันนี้ก็เป็นอธิษฐานนะที่ได้ทำไว้ก่อนบวชนะพวกเราก็ลองพิจารณาดูนะว่าในพรรษานี้เนี่ย เราจะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองบ้างเพื่อเป็นการพักกายพักใจแล้วก็เป็นการฝึก ฝ, กฝกพนพัฒนาตนไปในตัวอ่าชานี้เพิ่งเท่านี้นะกลับคะ